วันนี้เป็นวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2558วันที่31หลวงพ่อได้ลงมีโทระบินจากอุดรลงกรุงเทพแล้วก็นั่งรถจากกรุงเทพไปชนบุรีไปพักที่วัดยาณสังบร วัดเขาสีจันวัดสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ให้พระในวัดของเราลงนั่งรถตู้ลงไปก่อนแปดโรบไปพักอยู่ที่วัดยาณสังบอหลวงพ่อตามลงไปหลวงพ่อนั่งเครื่องลงไปก็ไปพักด้วยกันเมื่อคืนวันที่31แล้วก็รับนิมนต์วันที่หนึ่ง แล้วก็พอเสร็จกิจนิมนต์แล้วก็หลวงพ่อก็กลับขึ้นมาก่อนฝ่ายพระสงฆ์ท่านก็นั่งรถมาออกจากที่นู่นประมาณห้าโมงเช้ามาังมาถึงเมื่อคืนนี้สี่ทุ่ม <c oughs> นี่แหละธุรภารกิจของหลวงพ่อแต่ก็มีคนต่อว่าหลวงพ่อเหมือนกันนะบอกว่าหลวงพ่ออันนี้เป็นวันที่หนึ่ง ม ก, กราหลวงพ่อไม่น่าจะหนีออกจากวัดน่าจะอยู่ที่วัดเพราะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเขามาทำบุญปีใหม่ก็อย่างที่ได้เห็นเห็นล้นหลามคนเขาพูดแต่หลวงพ่อบอกว่าจำเป็นโลกหลาน แต่ลูกถ้าลงพ่อจะพูดให้ฟังอ๋อคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอ่ะคือมีเหตุผลที่จะต้องอยู่หรือจะต้องไปเพราะนั้นวันนี้เป็นวันที่สองแต่ถึงอย่างไงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็เข้ามาพบได้ลงพ่อกลับมาวันที่หนึ่งเมือม่อวานนีตกถึงตอนเย็น แต่ถือยังไงลูกหลานก่อนที่หลวงพ่อจะลงไปกรุงเทพเมื่อวันที่ส0สิบศรัทธาญาติโยมลูกหลานหลั่งไหลเข้ามาทำบุญไม่แพ้วันนี้นะไม่แพ้วันที่สองแต่บางคนลูกหลานบางคนแต่หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูด เ, เพราเห็นหลวงตาท่านพูดแล้วเออใช่หลวงตาท่านอายุมาก ท่านพูด ด, ดุด่าหรือว่าตักเตือนลูกหลานแต่หลวงพ่อเนี่ยพ่อได้ยินเลหลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดแต่หลวงพ่อเห็นแล้วเมื่อวานวันก่อนมันคงจะหนาหูหนาตาขึ้นมาเรื่อยๆความไม่รู้จักข้าหนรรมเนียมจริยธรรมจริยธรรมการประพฤต การวางตัวของลูกของหลานเพราะนั้นหลวงพ่อเองขออยากกล่าวย้ำเตือนให้พวกลูกหลานที่ได้ยินเสียงของหลวงพ่อเนะ่ยเพราะว่าหลวงพ่อเองเห็นแล้วก็ลูกหลานทุกวันนี้การที่จะเข้าสู่วัดวาศาสนาอย่ามาวัดป่าอย่างเนี้ยนะหรือว่าวัดไหนก็เถอะการแต่งตัวควรจะให้เรียบร้อยนะว่าเราจะไปวัด ไม่ใช่ว่านมาวันวานวันก่อนนั่งกลางเกงเป็นเด็กหนุ่มนั่งใส่สุดจำขาโน่นจำโคนขาน่นนะแล้วจะมาถ่ายรูปกับหลวงพ่อทั้งพ่อทั้งแม่ดูๆเลยถ้าถ่ายรูปออกไปแล้วเป็นยังไงพอหลวงพ่อเป็นสาพระสาธารณะถ้าถ่ายออกไปแล้วรูปออกไปอย่างนั้นจะเสียหายยังไง ทำไมท่านไม่คิดว่าท่านจะอายบ้างามีแต่ตัวเองอยากจะไล้รูปแต่ว่าการถ่ายมันดูดูแล้วมันไม่เหมาะสมแต่หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดในขณะนั้นแต่มาในวันนีอ้อยากจะพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานได้รับรู้รับทราบว่าการกระทาเช่นนั้นถ้าเมื่อตัวเองเอามาวัดแต่งตัวไม่สุภาพ ก็ไม่ควรจะเข้ามาใกล้พระก็ควรจะนู่นไม่ควรจะเข้าวัดอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะว่าการแต่งกายของเราไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเข้ามาหาครูบาอาจารย์พระกรรมฐานอย่างหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาอย่างเนี้ยควรจะให้สุภาพเรียบร้อยเข้ามาไม่ใช่บอกโคโลโคโศอย่างที่เห็นเห็นเพราะนั้นดูๆแล้วหลวงพ่อขอเตือนนะลูกหลานนะ ถ้าหากว่าเห็นอีกครั้งต่อไปนะ่ะหลวงพ่อเของคงจะฟันเปลี้ยงเหมือนกับหลวงตานะหลวงพ่ออันนี้เตือน เ, อเตือนให้ทราบให้ให้ลูกหลานทุกคนได้ทราบว่าการที่จะเข้ามาสู่วัดวาศาสนานั้นควรจะแต่งกายให้เรียบร้อย เ, อเพราะพระสงฆ์เห็นไหมไม่ใช่ผู้พระหันหมาบวชนะปุถุชนนะกิเลสนะ ท่านกำลังภาคเพียนพยายามที่จะชำระกิเลสราคะโทสะในจิตในใจของท่านอยู่นะ เ, เพราะนั้นใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าเนี่ยไม่สบายใจการที่ลูกหลานทำตนอย่างนั้นนะจะอวดทำไมะจะอวดทาไมมันก็เหมือนเก่านั่นแหล ะ, อ, ะอย่างที่หลวงตาท่านพูดนะเออ ผู้หญิงกับภาษาทางอีสานเขาก็ว่าปั่นเขากำกับเป็นของผู้ชายปั่นเขารรจีกับเป็นของผู้หญิงฮะมันก็มีทอนั่นแหละทไมอวดกันทำไมเพะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะคณาสัตย์ไทยญาติโยมลูกหลานนะหลวงพ่อไม่อยากจะพูดในเรื่องที่มันไม่สบายใจแ ต, แต่ถึงยังไงถ้าไม่พูดเนย พวกลูกหลานบางคนก็ไม่รู้การเทศะการถสารที่บุคคลเพราะนั้นหรื่งพูดยับให้ฟังมันไม่ถูกนะลูกหลานนะการที่จะเข้าสู่วัดว า, าศาสนาควรจะแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยพอสมควรไม่ใช่ใส่ชุดขาวถึงขนาดนั้นก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่ให้สุภาพนะเพราะว่าการเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาเนี่ยเป็น ประเพณเป็นประเพณีจริยธรรมอันหนึง่งเห็นไหมพระสงฆ์แตงยุ่งในครั้งพุทธกาลท่านก็ยังใช้สุดเก่าอยู่ตลอดนะไปในงานมงคลไปในงานศพงานอันไหนก็ตามท่านก็ใส่สุดเก่าของท่านก็ไม่เห็นล้าสมัยกระลากระมลาจะเป็นยังไงปกคลุมกลางอร่างกายให้เรียบร้อย พวกเราก็เหมือนกันควรจะให้เรียบร้อยนะลูกหลานคณะสถาญาติโยมนะนานๆพวกเรามาอยู่มาสู่วัดของหลวงพ่อเนี่ยคงจะได้ยินครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อเตือนนะเะพราะว่าหลวงพ่อเห็นแล้วอืมอไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะมีขึ้นเพราะว่าวัดของเราเนี่ยก็อยู่ในป่าดงพงไพ่ถึงขนาดนี้ถ้าวัดหลวงพ่อไม่กล่าวไม่เตือนมันอาจจะมี ลุกล้ําลุกลามเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สองเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งที่ผ่านมานั้นเป็นวันปีใหม่แต่วันนี้เป็นวันที่สองขอให้พวกเราคณะสัทายาติโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็คือเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี ให้สำรวมระวังสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นการพนองพนันเรื่องสุราหรือว่าการวางตัวให้เศรษฐกิจพอเพียงอย่าไปใช้สลุยสุลายในสามีภรรยาในเมื่อเรามีครอบครัวเราก็ควรจะ วางแผนครอบครัวของเรา แ, แม่บ้านหรือพ่อบ้านควรจะมีการเก็บเงินแต่ละเดือนเก็บไว้เพื่อใครเก็บไว้เพื่อลูกเก็บไว้เพื่อตัวของเราต่อไปภายภาคหน้านะในเมื่อเราเท่าแก่ชะลาเราจะทำยังไงเราจะใช้อะไรเรามีเครื่องประกันไหมเราจะพึ่งพาอาศัยใคร เราก็มีตีนมีมือเออมีหัวใจแล้วทำไมเราจึงไม่รู้จักเก็บเราจะไปพึ่งพระพาอาศัยใครสิ่งเหล่านี้นะให้พวกเราคิดนะลูกหลานทุกคนนะเ อ, อเมื่อเราไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบไว้นะแล้วเราจะทำยังไงขนาดหมีเอ อ, เ อ, อที่คั่วโลกเหนือเนะ่อกวานะ เวลาถึงจะถึงหน้าหนาวมันยังเก็บผลละหมากลากไม้เก็บอาหารตุนไว้ในหลังของมันอยู่ใต้ดินเพราะมันออกมามไม่ได้มันหนาวนะขนาดสัตว์ที่รัชฉานมันก็นยังพยายามเก็บผอมลอมริบเพื่อชีวิตของมันแต่พวกเราเป็นมนุษย์แท้ๆเนี่ยทำไมไม่รู้จักเก็บบางคนก็เนี่ย สมัยหนุ่มก็ใช้ไอ้หลุยชูแชกพอเท่าแก่มาแล้วกันนะพึ่งพาอาศัยลูกหลานพอลูกหลานเขาว่าให้นั่นแหละโมโหโก้ทาให้กับกับเขาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าเนะี่ยคนที่ไม่เก็บหอมรอมริบไม่รู้จักเก็บสมบัติไว้เพื่อเมื่อเท่าแก่ชรานะก็เหมือนกับนกเกเรียนแก่เนะี่ยนกยางเนขะาบอกพวกเราไม่เคยเห็นนกเกเรียนคืออะไรเนะี่ย เราเคยเห็นแต่นกยางหลวงพ่อเลยเปรียบเหมนืนนกยางมันบินไม่ได้ไม่อยู่ในอยู่ในกลางโพกกลางแพร์กลางป่ามันมีหนองน้ําำตามปกติมันก็บินไปหาที่กินที่อื่นได้ใช่ไหมพอมันอายุมากแล้วมันบินไม่ได้เพราะบินไม่ได้กันนะ่ะมันก็อยู่ในหนองน้ําแห้งๆ ห, หนองมันก็ไม่มีปลา กบเขียดก็ไม่มีเออเดี๋ยวก็วิ่งไปวิ่งมาดูดูดีๆให้เอ่อไปหาไล่ตกกรตรงต ก, กตงต ก, กแตนเออมันอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะเหตุไรเพราะมันบินไปที่ไหนไม่ได้มันจะไปสะแสวงหาอาหารที่อื่นก็ไม่ได้เพราะมันแก่เราคนแก่ก็เหมือนกันนั่นน่ะ ม, มันไม่ตายง่ายแล้วจะทำยังไงเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราวางแผนชีวิตของพวกเรา ให้เก็บหอมลอมริบไว้แต่ไม่ใช่ให้เก็บแบบโลภ โ, โ, โ, โมโลภโหมกนะไม่ใช่อย่างนั้นให้เก็บเพื่ออนาคตของพวกเรานี่แหละนี่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้ใช้ก็ให้ใช้พอประมาณนะัลูกลานนะเพราะว่ามองถึงอนาคต เมื่อเราเท่าแก่ชราแล้วทรัพย์สมบัติมันก็แก่ไปด้วยนะมันหายากหายากนะมันไม่เหมือนเมื่อหนุ่มเมื่อหนุ่มเราคิดหาอะไรเรายังคิดหาได้มองรอบๆข้างได้หาได้แต่เมื่อเท่าแก่ชราแล้วมันรู้จะหาอะไรทําอะไรมันไม่ยากทั้งหมดเนะี่อใครจะว่าจ้างจ้างคนแก่เนะี่ยเขาก็ไม่กล้าจ้างอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นในขณะที่เรายังยมนมอยู่ อันไหนควรจะเก็บเพื่อดูแลชีวิตของพวกเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านี้โดยมากทางอีสานเนี่ยลงพ่อเป็นห่วงนะเป็นห่วงเป็นห่วงพี่น้องทางอีสานของเราไม่รู้จักการวางแผนชีวิตเพราะลงุลงพ่อเคยได้ยินถ้าหากว่าคนไปทำงานด้วยกัน ทำงานในป่าถ้างบริษัทหรือว่าเท่าแก่เขาเนี่ยให้ไปทำไปสร้างบ้านเขาไปโสกเออผมจะไม่ได้มานะเจ็ดวันเนี่ยนี่ผมเอาอาหารมาให้ให้เพียงพอให้ให้อยู่ให้กินเลยนะนี่อาหารคนอิสานเนี่ยจะวางแผนเก็บอาหารไว้กินไม่เปลี่ยนนะเจ็ดวันพอมาเท่าไรกินหมด กินวันสองวันมันหมดวันที่สี่ที่ห้าที่หกนะกินผักกินหญ้ากินอะไรก็ได้นะแต่ใหม่ๆที่ไปให้นะั่นนะโดยมากหลวงพ่อได้กินนะพวกที่เขาพูดให้ฟังนะหลวงพ่อมีส่วนนะลูกหลานของเราทางอีสานเะนี่ยมีส่วนอย่างนั้นจริงๆวันนั้นมาถึงหลวงพ่อเนะ่ยหลวงพ่อ จ, จึงบอกกล่าว ลูกหลานทุกคนให้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะควรจะเก็บหอมลอมลิบไว้บ้างเพื่ออนาคตของเราเพื่อลูกหลานของเราเพื่อพ่อแม่พี่น้องของเราในเมื่อคราวจำเป็นมันมีในอนาคตเพราะนั้นพวกเราควรจะเก็บเรื่องวางแผนชีวิตของเราถ้าพวกเราไม่วางแผนใครละ่ะจะเป็นผู้วางแผน วางแผนชีวิตของเราด้วยวางแผนอนาคตที่เมื่อพวกเราตายไปแล้วนะ่ะเรามีอะไรบ้างตายแล้วไม่ศูนย์นะในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่ศูนย์อันนี้ก็ควรจะเก็บหอมรอมริบควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราด้วยอาหารกายอย่างหนึ่งอาหารใจอย่างหนึ่ง อาหารกายก็คือเนี่ยนะข้าวน้ำโภชนะอาหารที่หลวงพ่อว่าให้เก็บหอมลอมริบนะอาหารใจก็คือเนี่ยประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศล อ, อ, อันดับแรกก็คือดูแลพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยปนนิบัติพ่อแม่ของเราเนี่ยอันนี้คื อ, อ, อหาอาหารเข้าสู่จิตใจอย่างนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์มาทำบุญทำทานอย่างนี้แหละ มาสู่วัดวาศาสนาประกอบคุณงามความดีไหว้พระสวดมนต์สิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นเครื่องประดับประทับอยู่ในจิตใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราควรจะเ ส, สะแสวงหาทั้งสองอย่างอาหารกายก็คือปัจจัยเงินคำทรัพสมบัติเงินเดือนอาหารใจก็คือเนี่แหละเข้าสู่วัดวาศาสนา ไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทําทานเข้าสู่จิตใจนั่งภาวนาเดินจงกรมนี่แหละอันนี้คืออาหารใจในเมื่อถึงคราวสุดท้ายชีวิตของพวกเราถึงจุดจบนะลูกหลานทุกคนนะอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันพูดให้ความจริงให้ฟังชีวิตของพวกเรามีจุดจบพวกเราเห็นไหมเออถึงร้อยปี200รอปีมีไหมหายากมากแต่ถึงเมื่อถึงเช่นนั้นแล้วนะ ดูสิมันหมดสภาพร่างกายมันหมดสภาพมันแก่จริงๆมันช่วยตัวเองไม่ได้และถึงถึงจะทำยังไงต่อไปนั้นก็ถึงจุดจบไม่ถึงจุดจบที่จะไปไหนมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสนะ หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่พวกที่พวกเรารักเคารพท่านยืนยันเป็นแนวแถวเดียวกันว่าตายแล้วไม่สู่นะลูกหลานอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดให้นั่งภาวนาถ้าอย่างนั้นไม่มีผีหรอกอันผีนะั่นแหะคือวิญญาณนะั่นมันมีอยู่แต่เราไม่ใช่เห็นบ่อยๆนะแต่มันมีเยอะออในในโลกนะี่วิญญาณนะ่ะมันมีเยอะ แต่ว่ามันมันคนละคลื่นกันมันเหมือนวิทยุมันคนละคลื่นกันนานๆพวกเราจะเห็นหมุนคลื่นไปเจอกันก็จงค่อยเห็นกันทีหนึ่งนี่แหละอันนี้เหมือนกันน่ะแต่ตัวลวตัววิญญาณน่ะนะไปเกิดไปไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆไปเกิดได้ตายแล้วไม่สูญเพราพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ดูแล้วพระอรหันต์ทวกทั้งหลาย พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายท่านยืนหยัดยืนหยัดแต่หลวงพ่อนี่ก็เถอะหลวงพ่อก็ยืนหยัดร้อยทั้งร้อยหละเออตายแล้วไม่สูญลูกหลานตายแล้วเกิดอีกอย่างพวกคูกลูกหลานอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาจิตสงบแล้วเนะ่ะจิตรวมรวมรวมลงเป็นหนึ่งแล้วนะ่ะจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเลยทีนะี้นี่แหละอันนี้คือพวกเราควรจะหาอาหาร เข้าสู่จิตใจด้วยมีทานมีศีลมีภาวนาประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลน่แหละอาหารใจอาหารทางโล ก, กคืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดปัจใจข้าวน้ำโภชนาอาหารถึงจะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงขนาดไหนกเเ็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนี่นะเออมึจะมีเงินคำทรัพย์สมบัติสร้างบ้านรู้ๆ ล, ล้าๆร้อยล้านพันล้านให้อยู่ก็เถอะ อาหารการบริโภคดีขนาดไหนก็เถอะยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนก็เถอะอาหารดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงไปแล้วก็นั่นะไม่ถึงร้อยปีร่างกายนี่ยมันก็ไปตามสภาพของมันตามกฎในจังทุกขังอนัตตาแต่ส่วนจิตใจนั้นเจริญนะลูกหลานเมื่อเราเลี้ยงดีแล้วทำใจให้ถูกต้องเป็นธรรมแล้วนะคือเป็นพระอริยบุคคลพระพุทธเจ้า พ ร, พระหารแต่สาวกอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเนี่ยที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเนี่ยร่างกายของท่านก็เหมือนกับคนเราเนี่ยแนะแต่ว่าใจของท่านเป็นใจอริยะนยใจเป็นใจบริสุทธิ์ใจเป็นผู้มีใจเป็นศีลเป็นธรรมเราเคารพใจของท่านนะไม่ใช่เคารพอย่างอื่นนะเพรานะ่ใจของท่านเป็นธรรมแล้วกายของท่านก็เป็นธรรม การเป็นอยู่ของท่านก็เป็นธรรมการพูดจาพาทีของท่านก็เป็นธรรมเพราะอะไรเพราะใจของท่านเป็นธรรมวันนั้นเราเคารพใจนะนามมัทธริรมคือใจนั่นแนหะที่ในหลักของพุทธศาสนาพ่อแม่กูบาลญาลุงปู่ลุงตาที่ท่านให้ความสําคัญนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะพร้อมกับพระสงค์<ม>อนุโมทนาให้พรนนะักเสนาพรปีใหม่นะวันนี้เป็นวันที่สองนะรับพรปีใหม่อีกเรือทุกหลานนะ เพื่อเป็นเิริเพื่อเป็นมงคลสําหรับพวกลูกหลานทั้งหลายให้สู้นะเ อ, อ้เกิดมาทั้งทีชีวิตให้สู้นะอ อ, อย่าไปถอยหลังนะแต่ไม่ชู้คำว่ า, าสู้คํำนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปลบลาฆ่าฟันคนอื่นไม่ใช่นะเออให้สู้กับชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาของเราอันไหนที่จะเกิดประโยชน์อันไหนดีที่สุดเอออันไหนที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเออ ต้องเก็บหอมลอมเล็บแล้วก็ดูการเป็นอยู่ของเราอย่าไปตั้งอยู่ในความเกลียดค้านใช้สุรุยสุไลให้รู้จักการวางตัวให้รู้จักการเก็บหอมรอมเล็บวางแผนชีวิตของพวกเราชีวิตของเราจะราบรื่นนะลูกหลานทุกคนนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักวางแผนชีวิตของเรานะ เราจะเดือดร้อนเมื่อปลายมือนะในพระบาลีท่านว่าทุกขษาสะนันตรังสุขขังคนที่ทำการทางานการเรียนการศึกษาเป็นทุกข์แต่สมัยเป็นหนุ่มเราจะมีความสุขเมื่อปลายมือนะแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามสุขขษาสะนันตรังทุกขังเมื่อเป็นน้อยหนุ่ม มีแต่เที่ยวสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮาไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบคนนั้นจะเป็นทุกข์เมื่อปลายมือเมื่อเท่าแกศชาาแล้วจะเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักการวางแผนชีวิตนี่แหละมีพระมลีท่านรองรับนะทุกข์คดษาสนันตารางสุขขังแล้วก็สุขคดษา ส, สนันตารางทุกข์ขังนะ เมื่อสุขเมื่อทุกข์เมื่อต้นมือเป็นน้อยหนุ่มแต่จะมีสุขเมื่อปลายมือพอเราขันขยันขยันหาทรัพย์แต่ถ้าว่าเราปล่อยปะและเลยสนุกสนานแต่ต้นมือเราจะมีทุกข์เมื่อปลายมือเราจะเอาอะไรนะหลวงพ่อว่าทุกข์แต่ต้นมือมีความสุขปลายมือจะดีกว่ามั่งนะรับผอได้ที่นี้นะ